อ้าแล้วเจ อ, อยังไงอ่ะพี่พี่เขยก็เลยเริ่มที่จะเล่าเรื่องนะคะบอกว่าเป็นพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเวลาที่เข้าเวรเนี่ยจะเป็นช่วงดึกมกักจะได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูห้องทํางานตลอดแบบก๊อกก๊หมุนลูกบิดก็แก๊กก๊อแก๊แต่ทั้งทางที่ประตูมันก็ไม่ได้ล็อกนะก็เลยตะโกนไปบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นคนไหนมากแกล้งนะโดนแน่แกก็เลยไปยืนรออยู่ที่ประตูค่ะเมื่อเสียงเคาะดังขึ้นแกก็กระชากประตูทันที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 พอเจ้าของนาได้ฟังก็ตาลุกวาวละค่ะก็เลยเออ อ, อขอเอียวด้วยคนแค่นั้นไม่พอนะคะก็ได้มีเจ้าของนาใกล้ๆกันอีก2รายเดินมาประสบเหตุข้าเมื่อทราบความก็เลยขอร่วมวงอีกก็เลยกลายเป็นสีแรงแข็งขันเมื่อขุดลึกลงไปประมาณเมตรเศษก็เจอสมบัตินั้นตรงตามความฝันทุกอย่าง